โอเทระนุเทระทุกๆและเพื่อนจะทำในทุกูจเจริญตอนญาโจตุชนทุกๆคนวันนี้ก็เป็นชั่วโมงที่เราจะฟังกันทายทุกท่านตั้งสบายๆแต่ะ จ, ะจะฟังล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่เราพ่อพูดกับพูดในสิ่งที่เราทำ เราได้ฟังในสิ่งที่เราได้ทำเราได้ทำในสิ่งที่เราได้พูดของพ่อก็จะพูดสบายไม่ได้คิดหาจำมาเหมือนกับเล่าในยายจะพูดในเรื่องที่กรรมฐานอันเป็งนงานที่เรากำลังทำอยู่โดยเฉพาะในช่วงนี้พอเราก็กำลัง เข้าฝึกปฏิบัติเรียกว่าวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชาแห่งการกระทาเอาความคิดเอาเหตุเอาผลเอาผิดเอาถูกไม่ได้เอาสุขเอาทุกข์ก็ไม่ได้เอาการกระทาเป็นสิ่งบุกเบิกไปก่อน ให้กรรมมันจะแน่องผลของกรรมมันจะเกิดเกิดขึ้นตอนวิชาก ร, รมาถานเป็นวิชาที่ส ม, มูลจะเป็นวิชาที่สัมผัสได้โดยตัวเองไม่ใช่ให้จำเอาอะไรสัมผัสเอากายสัมผัสกับความรู้สึกตัวแล้วก็ให้ ลู่จริงๆแบบไปคิดในลายสัมผัสกับสติมือวางไว้ที่กายทั้งๆเราทําอยู่ยกมือขึ้นก็ลู่วัตถุที่ลู่ก็มียกขึ้นก็ลู่วัตถุที่ลู่ก็มีลู่จริงๆไม่ต้องหลอกเคลื่อนไหลไปมาลู่ไปพอม่อมๆกับกายที่เราเจตนาสร้างเป็นอดีบท ข้อดีบทนี้จำเป็นต้องทราบจะไปคิดเอาไม่ได้ความรู้สึกตัวต้องสัมผัสแล้วคนอื่นก็บอกไม่ได้ส็ด้วยเราต้องสัมผัสตัวเองต่อเอาเองเอากายไปต่อเอาความรู้สึกไม่ใช่ไปจําเอาไปเอาเหตุเอาผลเอากายไปต่อเอากับความรู้สึกให้มีความรู้สึกไปพร้อมๆกับกายที่เคลื่อนไหว ถ้าเราากายต่อแต่ถ้าเราลมต่อเอาหายใจเข้าหายใจออกก็ให้มีสติเปกบกับลมที่หายใจเข้าใจออกแต่ถ้าเราเดินจงกรมเราก็มีสติรู้กับการก้าวไปกับการเดินทีละก้าวทีละก้าวเดิไม่ต้องแข่งนะทำสบายสบายลู้บ้างหลงบ้างทัางเพราะมันติดตั้งถูกบ้าง นอกจากสติที่เราเจตนาสร้างบางอย่างมันไม่ใช้เจตนามันเกิดขณาแจงหน้าเราเช่นความคิดบ้างความงอแงอาหอานอนบ้างไม่ใชนไหนแตู่้ใดยังคิดตุ่งสาวใดยังง่วงเอาหอานอนอยู่ก็แสดงว่าถูกทางแล้วถ้าใดหลับนิ่งไม่รู้สึกนั่นไม่ใช่ทาง กรรมาฐานที่เราสอนกันไว้นี่เป็นวิปัจนากรรมฐานยกกิจขึ้นรู้สึกตัวไม่ต้องการให้เกิดความสุบและไม่ต้องให้นั่งหลับตาต้องขยันรู้การขยันรู้เขาเรียกว่าภาวนาขยันรู้ให้ ม, กมากว่ายังไม่มีวิธีให้นั่งหลับตานิ่งขยันลู้ลูเอาลู้เอา เป็นเาเดินอยูอ่ชั่วโมงหนึ่งประมาณก็เดินพอดีพอดีนะในช่เดินไปนไม่ไวเดินไปประมาณจักสามพันกว่าก้ 3, า, า, าวตารูททุก้าวไปได้ทั้งสามพันกว่าลู่การจ้างจังหวะนี่ประมาณกันตัดก้างพอดีพอดีหนึ่งลู่สองลู่สามลู่สิบสี่ลู่สิบสี่เวลาที แค่มงแค่มงหนึ่งก็ได้สามพันกว่าลูกแต่ถ้ามันไม่ตัวหลงก็เปลี่ยนเป็นตัวลู่ต้องเปลี่ยนมันเท่านั้นมันคิดไปร้อยครั้งลู่ทันมันร้อยครั้งมันเกิดอะไรที่ไม่ใช่กายที่เรากําหนดมันหลงไปก็เปลี่ยนเป็นตัวลู่ไม่เสียไม่ผิดย่าไม่ถือว่าผิดนแต่ถ้าคิดไปไปแับความคิดอันนันผิดแท่แต่มันคิดที่ใดก็ลู่ทันกลับมาให้เป็น นักปฏิบัติจะเด่นอยู่ที่การรู้จักจ ก, ลล ก, จกลับมาการรู้จักกลับมากําหนดกายที่เราตั้งไว้อริบ ท, ที่เราตั้งอไว้ไม่ออกไม่ออกไปไม่นีไปนั่นแหละคือปฏิบัติกษ์วยัญรู้เรียกว่าภาวนาตรงนี้สําคัญถ้าทาจุดนี้ไม่เป็นก็เนิ่นช้าเสียวเวลาถ้าําจุดนี้เป็นจะจับหลักได้ แล้วถ้าเราตามรอยหัวรอยควายเราก็เคยตามควายที่ขโมยมลักไปแต่ถ้าดูให้มันติดตามรอยควายของเราดูให้ติดตามแล้วก็จับได้ลักษณะของรอยมันเป็นยางไรการที่มันเดินจังหวะการเดินการก้าวการเสียงการขวางพรขนาดไหนเราจับแม้นว่าจะมีควายฝุ่อื่นที่เขาไล่มากบรอยควายของ ก็ไม่เหลื อ, อเขากแก้ให้ได้จับรอยที่เราตั้งเดิมการเจริญสติสมบั น, บนเห็นหละกนิบจ ท, ที่เราสร้างกำหนดลูล่ลู่ตัวนี้แหละไม่มีอะไรที่จะมาโกกเกิดมาเปลี่ยนได้ง่ายง่ายเปลี่ยนเป็นตัวลูเล่เปลี่ยนได้ไม่ยากเมันกันไ็ไล่โยงไล่โยงต้องมีวัตถุต้องมีบือ ต้องไปเอาไปไล่จริงๆกริยาที่ไล่ก็ต้องออกแรงแต่ถ้าการเจริญสติน่ถ้าเปลี่ยนเป็นตัวรู้ไม่ต้องออกแรงยิ่มในน้อยก็ไปดับเก่นเวลาได้บันคิดหัวละยอะมันก็ได้อย่าไปถึงกับเครียดโอ้ผิดแล้วโอ้ถูกแล้วเอออย่างนี้ใช่ได้เอออย่างนี้ผิดไม่เอาไม่เอาไม่ใช่เมื่อเอาจะไปเอาที่เราถูกหรือไม่ใช่ปฏิบัติปฏิบัติ ต, ต้องทําตรงตง ยังไม่เอาผิดเอากยังไม่เอาสุขเระทุกยังไม่เอาได้เอาเสียทำสติซื่อๆนั้นตัวซื่อๆตัวนี้จะเป็นกรรมที่บริสุทธิ์ไม่มีอะไรที่บกหรือแอบแฝงบางท่านบางลูกอาจจะทําไปด้วยความอยากลูกหนึ่งวันแล้วไม่รู้อะไรสองวันแล้วไม่รู้อะไรคิดว่าจะรู้อย่างนั้นอย่างนี้ ถ้านั่จะไม่ถูกนะวันนีมันจะปลอม <c oughs> ปลอมมาเป็นความรูปปลอมมาเป็นความสุขยิ่งพวกเราทุกวันนี้นะ่ะมีครูบาอาจารย์พูดกนะันหน้าเรื่องอารมณ์ของกรรมฐานเราก็คิดอยากจะเป็นเหมือนท่านจะเห็นเหมือนท่านเป็นเรื่องรูปเรื่องน้ำก็มั่วจะไปคิดเด็ดลู่เรื่องรูปเรื่องน้ําจริกลายเป็นจิงสักอย่าง กลายเป็นของลูปแบบคิดลู่ไม่ต้องแต่เป็นอย่างไรก็ช่างลูกปกับน้ำนี่ไม่เกี่ยวเวลาใดที่มันสมควรที่มันจะเกิดขึ้นมันค่อยเกิดขึ้นเองธรรมาชาติเป็นกฎของธรรมาชาติไม่ในอะไรที่จะไปบ่งบอกหรือไปบังคับเราก็ทำได้แจ่ลู้จะไม่ลู้ก็มันเป็นไรล่ะเราคิดมือขึ้นอยู่นี่เราก็ลู้แล้ว ลู่แล้วลู่แล้วเน่ยลู่เป็นข้างเป็นข้างไปไม่ใช่ลู่แบบตามอย่างที่หลวงพ่อสอนลู่เป็นข้างที่หนึ่งลู่เป็นข้างที่สองลู่ข้างที่สามไม่ให้นับแต่แต่ลู่เป็นข้างเป็นข้างเป็นข้างแล้วก็เราเอามือข้ออย่างนี้ลู่ลู่ลู่อย่างนี้ไม่ใช่ลู่แบบตามถ้าลู่แบบตามจะกลายเป็นสมาธิถ้าจะเหนื่อยมากถ้จะง่วงนอนือเครียดอัดแน่น ถ้าทำไม่ถูกถ้าทำถูกเลยโ อ, อย้ยสบายยิ่งแย่แย่ใส่ทำเท่าไหร่ก็ไม่มเดยดเหนื่อยเลยสนุกเวลาใดที่มันหลงคิดก็ยิ่งอ่าเข้าใจยิ่งเห็นยิ่งเห็นขโมยเขจาว่ า, มมว า, านะั่นตัวหลองคิดเนี่หลวงพ่อตั้งชื่อว่าเป็นขโ ม, มยมามันมาดักหน้าทำให้เราหลงไปมันลักเอาความรู้สึกเราไป จะให้หลงไปกับความคิดเราก็ยิ้มเอออ่หลงไปคิดไปหนึ่งเท่ากับเราได้สอนเราเสร็จบทเรียนไปหนึได้บทเรียนอะไรที่มันหลงคิดไปหนึ่งกลับมาลูบสอนเราสอนตัวเราแล้วแต่มันหลงไปคิดไปไม่ได้กลับมาลูบไม่ได้สอนตัวเลยก็เลยเป็นคนที่หลงง่ายที่จะหลง แต่ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นตัวลู่สอนเราต่อไปก็ง่ายที่จะลู่ถ้าอย่างนี้เราก็พับพับเพื่องเสี่ยงเพราะฉะนั้นนี่ไม่เสียหายนะเวลาอะไรที่มันหลงคิดไปสบายสบายหัวเลาะความคิดตัวเองก็ได้ที่มันนอกจากความรู้สึกบดเรียนทั้งนั้นมันมาบอกให้เราว่ามันอยู่ตรงนั้น เป็นเวทนาความปวดค่วงธรรมดาอารสร้างแต่หวาเนินบเบาๆอายกมือเข็นหลงก็ออย่างน้อยต้องสามสี่ห้ากิโลยกไปยก็มาอาจจะปวดเป็นเวทนาต้นแขนบ้างต้นคอบ้างทําท่าจะคันเลือดคันตัวเป็นใข้เป็นอะไรไปไม่เป็นไรเริ่มจากงานใหม่ๆก็เป็นธรรมดาเราจะไปหลงเป็นเวทนาให้เห็น เออเวทนาคือการปวดการเมื่อยมันก็มีมันเป็นลูกลูกนี่มันต้องมีเวทนาเวทนาเกิดขึ้นที่ลูกมีเวทนาเกิดขึ้นที่นามริใจคนเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็เห็นมันอีกมันมาเข้าแถวให้เราดูเหมือนกับอย่างนั้นแต่ถ้าคนได้ไม่เข้าใจดูก็ไปไปเสียเวลาไปโอยสมันเสเวลาปฏิบัติต้องไป น, นั่งต้องไป นอนอะไรต่างๆไม่ต้องโวยเห็นหน้าเห็นตาเข้าแถวให้เราดูเห็นของจริงคือว่าปวดมาเมื่อแล่วถูกแล้วเป็นคําสอนที่พระเจ้าได้บอกไว้แล้วว่ากายานุปจนาเวทนานุปจนาคือการปวดการเมื่อยของรูปการเป็นสุขเป็นทุกข์ของจิตใจคือเป็นนามเรียกว่าเป็นเวทนาแต่ความคิดมันก็มีอยู่จริงคนไม่ตาม่างยิ่งพวกเรา กลัวที่จะได้มาเข้ากับรรมฐานมันเคยกินอะไรมาบ้างเป็นจริตนิสัยอะไรมาบ้างมันก็อาจจะหวนคิดไปเป็นอดีตลำลึกแต่บางคนก็ง่ายๆมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาไม่ค่อยมีจิตใจบูวามผลผันพันแ์เล ไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ไม่เป็นคนที่อกหักอกคลั่งเสียอกเียใจได้เสีย อ, อาจจะทายแต่ถ้าผู้ใดบางทีอาจจะผิดพลาดผิดสินทุกสินทาบาปทากรรมอาจจะอาจจะคิดไปไม่เป็นไรจะรู้ทีหนึ่งกระว่าตัดกังได้ถ้าหลงไปกับความคิดไปเป็นทุกไปเป็นทุกเสียอกเสียใจดีอกดีใจ ก็ต้องเสียวเวลานี่คือกฎคิดความคิดนี่ยของพ่อได้พูดตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี่ว่ามันมีสองลักษณะความคิดกันถ่งคือตั้งใจคิดการตั้งใจคิดเนี่ยไม่มีใครอยากคิดอะมันขี้เกียจแต่ตัวลักคิดนี่มันเกิดขึ้นเองแล้วก็แล้วก็ให้แนาร่วมมันดีเกิดๆจะหลงผิดไปอะไรต่างๆ เรื่องเก่าเรื่องอดีตว้างเรื่องอนาคตว้างจนหน้ามันจะวิ่งไปข้างหน้าหรือท่านบ่าคนหนุ่มคิดไปข้างหน้าคนกันลาคิดคืนข้างหลังอาจจะเป็นทำนองนั่นก็ได้มันก็วิ่งไปข้างหน้าม่นคิดคืนข้างหลังเราจึงมีอะไรบทอนะีรบทนี่เพื่อให้เป็นปัจจุบันมันช่วยเราได้เยอะที่บดยิ่ง มีเจตนาใส่ใจที่จะลูกเนี่ยโอ้ยแก๋วตัเดียวหลกงพ่ามีเครื่องมือสร้างตัวลูกได้อย่างงดงามสาิุโสการยกมือเสื่อนไว้สัมผัส ด, ดูแล้วเนี่นพ่อเป็นนักสแสวงธรรมฐานเหมือนกันแต่ก่อนก็ทำแบบพุโทโธบริกรรมบางทีมก็ทำให้เกิดความสงบใจไวยิ่งหลับตายยิ่งบริกรรมเก็ดสบายมาก การสร้างให้เกิดควาสมสงบกันโอ้ยง่ายนิเดียงแต่การสร้างให้เกิดตัวลูกนี่ต้องออกแรงหรอกต้องขยันให้เป็นปัจจุบันมีเจตนาสร้างจังหวะคอยช่วยให้เป็นปัจจุบันเพื่อไว้ให้มันวิ่งไปข้างหน้าเพื่อให้นไม่ให้มันวิ่งไปขิ้นไปข้างหลังให้เป็นปัจจุบันปัจจุบันเท่านั้นจะเป็นเรื่องถูกต้องจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องและเป็นของจริงคือจะได้ชีวิตเราได้ ถ้าเราเปนความรู้จึกไปหนึ่งวันสองวันนะก็ธรมรมดาความรู้สึกก็พัฒนาไปเรื่อยๆ เ, เหมือนอาจารย์น่าลงโทษเมื่อเช้าเลยว่าคนเราปลูกมะเขือถ้ามะเขือได้ลงดินแล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆสอแต่กิ่งกาา้านตาคาเตอตอคอพนการเจริญจิติ ก, ก็เหมือนกัน แต่รู้แต่ตัวเป็นมากว่ากวากว่ากว่าส ต, ติตัวนี้มันก็พัฒนาพัฒนาไปหลายอย่างอันนั้นหลวงพ่อจะไม่พูดออกเขาพูดเราคนเทียวเวลาเราก็พูดตัวเองตอนที่เราเกิดอืประสบการณ์กับตัวเราเราจะพูดอะไรแม่แต่หลวงพ่อพูดอยู่างไรไม่ได้จำเลยธรรมชาติมันบอกให้พูดมันพาให้พูด เรื่องผิดมันก็บอกให้ว่ามันผิดเรื่องถมก็บอกัว่าเปนเร่ถูกไม่ได้คิดเลยสบายสบายการพูดธรรมะเมอะไม่ได้คิดหลอกบวงไขไม่ได้คิดฟังอะไรจากผู้ใดทั้งสิ้นพูดด้วยความเป็นจริงเลยไม่ต้องขวดแต่ได้นั่งขึ้นทํามะเราไปเห็นญาติเห็นโยมเห็นหน้ายาต้าโยมโอ้สบายพอแต่ถ้าพูดคนเดียวพูดไม่ได้ จะจับปากกามาเขียนก็เขียนไม่เป็นแต่พูดไม่มีใครฟังก็พูดไม่ออกหลวงพ่อจึงสบายทุกฟังก็ให้ฟังสบายๆไม่ต้องว่าโอ้ฟังเอาหลวงพ่อพูดดีหลวงพ่อพูดไม่ดีไม่ต้องไม่ใช่หลวง พ, ออพ่อทำเขียนให้ถือว่าเป็นเขียนอันหนึ่งที่มันเล่าเรื่องตัวของเราห ล, ลอหลวงพ่อพูดอยู่ใ น, นเรื่องของทุกท่านเหมือนกับพูดกับทุกคน อะไร้พูดไปไหนทั้งหมดแต่เรามีสติแต่ไม่จะดีก็สติก่อนเดียวกั น, นแหละสองขกอคือสติเมีน้อยก็คือสติยอดจงก็คือสติความรู้สึกเป็นของผู้รู้ไม่ใช่เป็นธาตุเป็นภาษาไม่ใช่เป็นละทีในกายเป็นของผู้รู้คือเป็นความเป็นหนึ่งเดียวหลวงพ่อ ก, ก็พูดหลายครั้งเคยไปสอนทำอยู่ที่ มหาวิเย์ฮาร์วาดเป็นมหาวิเลยที่มีชื่อเสียงในโลกในนักศึกษาประมาณเจ็ดสิบแปดสิบคนก็ไม่ต้องพูดละเขาบอกในหะ้เขาสร้างจังหวะดแบบนีหละสร้างจังหวัดไปในโลกมันก็เราทาอยู่เนีน่เราไลยถามาว่าเมื่อกี้ในพวกคนอยู่ไหนเขาบอกเขาอยู่ที่กายเคลื่อนไหวไม่ได้คิดไปไหนนะ มีคนสม็นคนหนึ่คนไม่ได้คิดไปประเทศเสม็นเลไม่ได้ไปคนอยู่ไหนอยู่ที่กรุงเมือสามคนร้อยร้อยฝ่า ย, ายเขาก็บอกว่าเขาไปไหนอยู่ที่เมืองนั่นทุกคนก็มีความรู้สึกคนอยู่ที่นั่นไม่ใช่แตประเทศสละร้ายประเทศรวมทั้งประเทศไทยโดยพอชื่อคนหมอโคม่าเป็นบัตำไ ป, ไปทำปริยาเอกไปทําด็อกเตอร์ถึงก็คือความรูดเท่ากันยึงไม่ใช่ลัทธิ ไม่ใช่ในกายไม่ใช่ชาติไม่ใช่ศาสนาเป็นสากลต้นจะไม่สวายได้อย่างไนเพราะมันเป็นสากลของทุกๆคนถ้าใครมีความรู้สึกตัวก็เป็นของคนหนึ่งถ้าเรามีความรู้สึกตัวเรานั่งอยู่นี่น้อยต้องสี่ร0อยห้ารอยชีวิตก็เป็นคนคนเดียวกันแต่ถ้าเราหลงเป็นคนเราคนกันทันทีตายอยากเพราะนั้นจึงสติมันจึงพัดขนาด พัฒนาให้เกิดอะไรขึ้นได้พ อ, อมีสติมันก็ละความท่วงคนมีสติมันก็ทําความดีคนมีสติมันก็คิดใจมันก็บริสุทธิ์มันไม่ได้ไปคิดชั่วไม่ได้ไปทําชั่วไม่ได้ไปพูดชั่วคนมีสติทําอย่างเดียวมันเกิดอะไรหลองดูสิมันเกิดอะไรขึ้นเป็นศีลก็ได้ศีลรักษายอยู่ตรงไหนรักษาที่กายวาจาใจให้เรียบร้อย อะไรมันคิดอย่างลู่เนี่ยก่อนที่ไปไปทําบาปทํากรร ม, มก็ต้องคิดก่อนลู่ตั้งแต่ต้นเหตุของมันต้นลมของมันนันก็เป็นการรักษาศีลศีลก็ยึงบริสุทธิ์คนไปทําบาปไม่พูดชั่วไม่คิดชั่วไม่ทําชั่วมันบริสุทธิ์มาหนึ่งวันสองวันสามวันมันก็เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นท่านจะตอบเลยไม่อยากลูมันก็ลู่ไม่อยากเห็นก็เห็นเห็นอะไรเห็นที่ สิ่งที่เราทำอยู่นี่แหละเราไม่กายเคลื่อนไหวอยูน่นี่เราดูดูกายาก็เห็นกายสำหรับจิตไม่ต้องไปหาดูมันผุดขึ้นมาหเห็นตอนคิดตทวาดาจิตแต่หลังพ่อคิดท่านพ่อครดบ่ดกก็คือตัวคิดตัวรักคิดหลายคนก็คงไปเห็นวันนี้เห็นไหมเห็นมันคิดไหมเห็นต่เห็นไปยังไงไปถึงไหนบ้า ไปถึงบ้านพยายาคุมขอนเตือนไหมไม่ยังไม่ไปความคิดไปกลับมาได้ไม่ไปไกลเอาคืนมาได้เรียนมาเป็นตัวลูกสอนบ่อยๆสอนบ่อยๆก็ง่ายที่จะรูก้ก็อายเวลาใดที่มันหลงคิดไปมันก็อายไม่กล้าคิดเหมือนกับขโมยมันอายเจ้าของบ้านแม้แต่เป็นเด็กตัวลเล็กๆมันก็อายถ้าเจ้าของบ้านอยู่มันไม่กลา้าความคิดที่มันหลง มันก็ไม่พลาดนกันมันก็ไม่เป็นธรรมสิ่งที่เป็นธรรมเขายอมชนะอีู่เสมอไปเป็นความรู้สึกตัวเป็นเป็นธรรมจริงๆเป็นที่เกิดของขับจริงๆเป็นกุศลอราจะโลดลูบโลนานได้ภายในสี่สัปดาห์วันก็ได้พอเราของจริงมาสอนกันให้เห็นเนี่ยมันเคลื่อนมันถอยอยู่นี่ดูไปดูมามันเป็นรูปเป็นรูปจริงๆ ไม่ใช่กายแล้วบัดแต่เป็นกายมันคัดแทบแตาบอกว่ามันเป็นรูปโอ้แต่ฉานแล้วบัดพอเห็นเป็นรูปก็เห็นนามที่มันลู่จากเคลื่อนไหวไปมาอ่าดูไปดูมาสติเป็นเจ้าของดูทั้งกายดูทั้งใจระหว่างกายที่มันเคลื่อนไหวระหว่างใจที่มันคิดตัวสติเป็นเจ้าของดูแลเขบาบัเกิดความเป็นธรรมขึ้นมาเมื่อเกิดความเป็นธรรมก็ ก็เกิดอย่างเกิดปัญญาขึ้นมาทําให้เกิดทะลุตอบได้เฉลยได้ได้คาตอบได้คำเฉลยเรียกปัญญา่างไม่ใช่รู้เรื่องดีการเจริญสติกันรู้เรื่องกายเรื่องใจางงบาปเรื่องบุญก็เกิดอยู่ที่นี่เรื่องความเป็นพระก็เกิดอยู่ที่กายที่ใจเรื่องความเป็นเปรตเป็นนิจุลกายเป็นสารโล ก, เ, นนลกเกิดอยู่ตรงนี้ เราก็ดูเอาดัวเอาธรรมราคนที่สร้างคนที่ดูเราก็เลือกให้ตัวถ้าเห็นหลวงพ่อก็พูดแบบภาษาหลวงพ่อหลวงพ่อจะไม่ได้เล่าเรียนอะไรเลยเสร็นเด็จทุ่งไร่ทุ่งนามาพบกับหลวงพ่อเพียงก็โชคดีไม่ต้องเสียเวลาไปศึกษาทีอืาา่นเพราะมันเหมือนกันแล้วชีวิสูจนไดายำตอบหมดรรมเรื่องกรรมฐานเรื่องสมถทานเรื่องวิปัสสนาเป็นอย่างไร เรื่องยาณเรื่องชาญเลือกมากเรื่องผลเป็นอย่างไรเรื่องศีลเรื่องสมาธิเป็นอย่างไงสัมผัสตวเองแล้เป็นเรื่องศีลก็ช่วยได้จริงศีลก็รักษาให้เราได้จริงสมาธิก็รักษาเราปัญญาก็รักษาเราสีเลนะจงกระเิงยังติสีเลนะพอกสัมปทาสีเลนะนิพพังิงกัติเออสัมผัสแล้วจริงใช่ลองดูใช่ได้ใช่ตายมีศีลแล้ว สั้งห้าวันหวันเจ็ดวันจึงรู้ว่าตัวเองจริงมีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้ไม่ใช่มีก่อนมีเห็นก่อนเห็นเป็นก่อนเป็นไม่ใช่ของจริง น, นะสังข์พวกเราทําบุญเนี่ยคิดว่าจะได้บุญมัวแต่ไปคิดว่าคิดว่าอยู่คือจะได้บุญแล้วเราก็ถามญาติโยมอยู่นี่มีใครบ้างที่รับรองว่าวเป็นบุญตอบได้ไหม บางคนก็จะตอบได้แต่บางคนก็จะตอบไม่ได้แต่เราก็ตอบได้ไม่ได้ไปศึกษาเรื่องศึกษาอยู่ที่ไันแต่เรื่องสติเดียวหนึ่งได้จริงจริบาปก็ละได้จริงจรอบายภูมิตักใด้จริงจริงับหลองร้อยเปอร์เซ็นไม่ไปดูอภัยโยมไม่ได้เรียนรู้เรื่อ้สติตัวเดียวสติตัวเดียวเราจึงไม่หลไปทามกลางก็คือสติที่สุดก็คือสติ ที่สุดก็คือตัวนี้้าบริจาคต่อป่าวุฒิงการยังปริมุขขังแต่เต็งวัตเตปตตว่าผู้มีสติเป็นหน้าโลกเหมือนพิธีนาศกผู้มีสติเป็นวินัยสติเป็นทั้งวินัยพระธีนาศกก็คือเป็นพระอรหันต์ผู้มีสติเป็นหน้าโลกผู้มีสติเป็นวินัยดูสิสตินี้ทให้เกิดความเป็นพระอรหันต์ ดับกินเลสละกินเลสเป็นไใจสิกขาเป็นสิน้เป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมรรคก็เราโดูดูภาวะที่ดูอยู่เนี่ยอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจมันลอดสายตาเราไปไม่ได้มันลอดจากความรู้สึกไปไม่ได้ความรู้สึกนี่เป็ น, ป น, ปนตาทิศจริงจริงไม่เหมือนกับตาเนื้เห็นแม้กระทั่งมันคิด อะไรที่เกิดขึ้นกับตายกับใจไม่ไม่ผ่านความรู้สึกไปได้รู้เท่ารู้ทันจริงๆมันเป็นได้อย่างการนูนนเรีน ย, รยนิญสติจึงขยันเจ้าอาจารย์มิบ่นท่านก็ขยัน13ามปีตั้งแต่ท่านไ้ป่าจับปานันนี้ลายลูกลายองค์พระหลวงศรสองพอเทียนสายงานหลวงพ่อเทียน มีความขยันขันแข็งไม่เห็นแต่ความยากลำบากการงานอบรมแต่ก่อนไม่มีไม่ษาธรรมไม่มีงานประกาศออกไปปริยวให้ไปปฏิบัติที่นู่นที่นี่ไม่มีเลยต่แบวงหาเอาผนกลวยคิดหาอาจารย์ลงไหนไปเสียวเวลาไมบันี้พวกเราไม่ต้องเสียวเวลามาได้เลย จะสะดวกขนาดไห น, นลองพิจารณา ด, ดูแต่ ว, ว่าจะขอเ ร, เรื่องอาจารย์นิมนต์เพื่อน้อยครับกว่าที่จะไปอาจารย์นิมนต์มาอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่เส้นเล็กน้อยสมัยเป็นพานหนุ่มน้อยปวดใจไหมไปอยู่กับหลวงพอ่อทุกยากลำบากอยู่ฝ่าสุกโต่ะแยงแหน่เคยได้กินแยงแหน่ว้วยไม่หรอแยงแหน่ ต้มแหน่ต้มย่ำเหน่เท้ามอาจรย์่ร้อนเอยมีน้ำปลาขวดเดียวนี่อุ่นใจยอมเลยอดอยากกินแจงเหน่ต่ำกรกปัะญาบุญนาเป็นคู่หมูันนี้ร่วไปใไนสิ่สินีจากกันไปย้อยอินแจงเหน่สมบุกสมบืรเดินขึ้นเขาลงเขาวนละเที่ยวสองเที่ยวเดี๋ยวนี้ผลงานที่ท่านอุ่ ทุกอย่างลำบาก็เลยอ้วนแม้แต uhm, an ่นักมวยที่ชกมามากเมื่อหยุดชกเราก็เลยอ้วนเห็นไหมกับรถบรนทมกมาพา้าบรรทุกตะกอนเขาจะมีการเป็นนักมวยแต่นี่อ่วยร้อยสิบกิโลเพราะสมบูรณ์สมบูรณ์เป็นอะไรแต่นั่นนี่สบายเลยพวกเราได้เกรียบกรบพุทเจ้าด้วยสั่งไป พระเจ้าั้มากกว่าพวกเราโองเราไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพนะหาเพื่อนสักคนเดียวไม่มีเลยบางทีสัตว์เลื้อยผานหมูอาจจะเลื้อยมาเสียงสัตว์ร้องก็อาจจะมีเล็เปรียวอยู่คนเดียวแล้วไม่มีครูอาจารย์ก็ไม่หมือนสุพวกเราวันนี้อาจารย์ก็ไปเป็นเพื่อนเป็นครูผู้นำผู้บอกผู้สอนพาทำ มองไปทางไหนก็เห็นแต่เพื่อนแต่มิตรเขาเทียบเฟืองหลังไปที่ไหนเปิดกล้อง น, น้ำไหลเปิดไฟสว่างห้องน้าห้องตู้เจ้าดวงสบายแต่พรสมัยพุทธเจ้าคงไม่มีไฟฟ้าแบบนี้ไม่มีกล้องอวิดีโอแบบนี้หรอกอาจจะเอาแสงไฟจิตเอาแสงเดือนแสงดาวกั้งฟ้าจ <c oughs> ะทำแล้วหลวลงพ่อว่า ถ้าคนไม่บรรลุธรรมยุคนี้ไม่มีเลยตรงเพราะว่ายุคนี้แหละจะเป็นยุคของยุคธรรมให้มันทุกขลงไปพอคนมันความทุกข์แท้ๆเนี่ยทาให้เกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาอย่าไปกลัวความทุกข์เรามาอยู่นี่มันอะไรมันจะทุกข์กันมามอย่ายอมแพ้เห็นมันอาจจะไม่ทุกข์เข้ากับพระพุทธเจ้าที่องค์ออกเสวนหาโมกระทับเวลาลอดเรากนนน็มีน้ำอาบมีเสตีอยู่ เวลานาเราก็มีผ้าห่มหลวงพ่อประโยู่กต เ, ยเยอย่างดีเลยมีผ้าห่มปูันเตียงก็อย่างดีสบายนี่สะดวกทุกอย่างเราจะไปติดไปขัดไปคล้องอะไรอยู่ของเราก็เป็นมิตรกันสบายใจได้เลยรับรองหมู่หลวงพ่อไวหลอกไม่ร่วงโยงขอให้ปฏิบัติตามคำที่สอนที่สั่งนี่ก็ส้องสำคัญ <c oughs> โลดสุดใจเคลื่อนไหวอะไรที่ใจมันคิดรู้ทัน